ป่าหิมะผ่านได้ทราบนะจึงบอกแก่พระประเจกผู้ดิจ้าทั้งหลายว่าพระเจ้าพระนางเจ้านันทราชได้นิมนต์ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรับนิมนต์ของเท้าเธอเถิดพระประเจกผู้ดเจ้าเหล่านั้นก็รับนิมนต์ น, นั้นไว้และรุ่งเช้าขึ้นก็ล้างหน้าบ้วนปากที่สานโนดาดแล้วพ่ากันเหาะมาลงที่ประตูพระราชวังทางทิศเหนือเพื่อจะรับ ทยายาทันของพระราชาและพระราชินีชนทั้งหลายเห็นพระประเจ้าพุทธเจ้ามาแล้วจึงเข้าไปกราบบังคมทูลถวายพระราชามีพระประเจ้าพุทธเจ้าว่ามีพระประเจ้าพุทธเจ้าห้าร้อยลูปมาถึงแล้วพระเจ้าข่าพระราชาเสด็จออกพร้อมทั้งพระราชาเทวีทรงนมัส ก, การแล้วสรงรับบาตรแล้วนิมนพระปเจ้าพุทธเจ้าทั้งหมดขึ้นบนปราสาทถวายทายทาน แต่พระปเจผเู้เจ้าทั้งหลายที่ปราสาทนั้นในเวลาเสร็จการฉันจังหันแล้วพระราชาทรงอภิวาท ต, ตรงหน้าของพระปัเจผู้ติจ้าผู้เป็นประธานพระราชเทวีก็ทรงอภิวาสลงตรงหน้าของพระปเจพู้ติจ้าที่เป็นผู้บวชที่หลังแล้วขอปฏิญาณว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีความลำบากด้วยปัจจัยเลย ขออยาให้กับเจ้าทั้งหลายเสื่อมจากบุญเลยขอท่านทั้งหลายจงให้ปฏิญญาเพื่ออยู่ในที่นี้จนตลอดชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดอันนี้ก็เป็นผลที่เขาได้ทําบุญเอาไว้ว่าเมื่อเขาเกิดในที่ใดๆก่็เขาจะได้เสื่อมเลยนะนี่เขาก็ได้มาทําบุญอีกหลังจากตัดอัตถนาพระปเจพุฎิจ้าเป็นที่ตกลงไว้โปรดให้สร้างบรรณาศาลาเป็นที่อยู่ขึ้น500ร้อยหลัง ที่จงกลมห้าร้อยแห่งไว้ในพระราชอุทยานแล้วทรงรัชนาให้พร ะ, ระเจ้าผู้ติเจ้าอยู่ในพระราชอุทยานนั้นอันนี้คนมีศีลเนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายดังเช่นพระมหากรสปะเถร ะ, ะตอนตอนตอนท่านบำเพ็ญบารมีอยู่เนี่ยท่านต้องการผู้มีศีล น, นะที่จะทำบุญพอท่าน ได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยท่านก็เป็นผู้ต้องการของคนมีปัญญาทั้งหลายที่จะประสงค์จะทำบุญแก่ท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเดเ จ, จ้าจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าอัปปะมัตโตอยังคันโทยวัยังตัครัรตัคขระจันทนีโยจะศีลวะตังคันโทวาติเทเวสุอุตตะโม กลิ่นเหล่านี้คือกลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันท์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยที่ว่าเป็นกลิ่นเล็กน้อยเนี่ยคือมันหอมนิดๆหน่อยๆกลิ่นหอมของกฤษณาและกลิ่นจันท์ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์อธิบายว่ากลิ่นศีลของผู้มีศีลทั้งหลายใดกลิ่นศีลนั้นหาเป็นกลิ่นเล็กน้อย เหมือนกลิ่นในไม้หอมที่ชื่อกลิศนาหรือจัน์แดงไม้คือกลิ่นสีดนั่นเป็นกลิ่นอันโอรานแผ่ซ่านไปเหลือเกินคือหอมทั่วอ า, อาจจะกล่าวได้ว่าทั่วทุกพบนะการมาพบรูปมาพบ อ, ร, อรูปอารูปมาพบไม่หอมด้วยไม่มีจมูกปารูปพบเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้คือเขาเขาลักษณะว่า เขาอยู่เฉพาะตัวของเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคนอื่ น, นาในกามปพบรูปประพบเป็นกลิ่นอันโอรานแผ่ซ่านไปเลือยเลือยเกินด้วยเหตุนี้แหละกลิ่นศีลจึงเป็นกลิ่นสูงสุดคือเลิศฟุ้งไปในหล่าเทพเจ้าและเหล่าวมนุษย์หอมตรบไปทีเดียวอันนี้กลิ่นศีลอ น, นี้ไม่ใช่กลิ่นศีลธรรมดานะต้องเป็นกลิ่นศีลของพระ อรหันเช่นพระมหากรสปะเทระเนี่ยเหมือนกับกลิ่นศีลของพระปจเจ้พุทธเจ้านะถึงแม้ว่าพระราชานันทราชและพระราชินีเนี่ยจะไม่ได้เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยแต่รู้ว่ามีอยู่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดตลอดกาลนานนะคือคือไม่มีการขาดอีกแล้วอ่ะ ีเนี่ยของเราเนี่มันยังขาดได้นะเป็นธรรมดาของปุถุชนศีลขาดเป็นเรื่องธรรมดาการมีศีล น, น่หรือศีลบริสุทธิ์เน่เป็นเรื่องอัศจรรย์ของปุถุชนนะแต่ว่าการมีศีลบริสุทธิ์ของพระอริยจาเป็นเรื่องปกติของท่านคือท่านจะไม่มีการกระทำบาปกรรมทางกายวาจาจะประพฤติเบียดเบียนใครด้วยกายวาจานี่เป็นไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นในกลิ่นเหล่านี้ล่ะพระราชาและพระราชนีเนี่ยรู้อยู่จึงต้องอธิษฐานให้มาไงให้มาให้มาเพื่อจะได้บูชาศีลของท่านด้วยข้าวน้ำเป็นต้นเนี่ยเราก็ควรจะเห็นเห็นคุณของศีลว่าแผ่ซ่านไปทั่วทุกภพไม่มีหลอกที่คน จะไม่บูชาศีลคนฉลาดจะไม่บูชาศีลไม่มีเขาบูชาสารเสริญศีลและชักชวนให้ทุกคนมีศีลบูชาศีลด้วยอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าเนี่ยค า, าถานี้เป็นคาถาที่พระพุธเทธเจ้าตัดตาราลบเรื่องของพระมหากรสปะเทระเอาไว้ว่าพระเทระเนี่ยออกจากนิโรธสมาบัตนะิคือเข้านิโรธเจ็ดวัน เมื่อออกแล้วก็คิดว่าจะเที่ยวบินทบาดไปตามลำดับตรอกของคนจนๆในกรุงราชครึกในสมัยนั้นนางอับศรประมาณ500มีเท้าสีเหมือนเท้านกพิราบนะคือนกพิราบมันเาเท้าสวยนะเป็นบาบริจาริกาเรียกว่าเป็นชายาของเท้าสักกัดเทวราชเกิดความอุตสาหะ อุตสานนี้ก็คือศรัท ธ, ธากล้าหาญว่าจาักถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเทระจึงตะเตรียมบิณฑบาต5้าร้อยที่แล้วมายืนอยู่ระหว่างทางที่ท่านเดินบิณฑบาตกล่าวว่านิมนต์รับบิณฑบาตนี้เจ้าข้าโปรดทำความสงเคราะห์แก่พวกดีฉันเถิดคือมาทั้งทั้งที่เป็นเป็นนางเทพธิดาเลยพระเทระกล่าวว่าพวกเจ้าจงไปเส็เถิดฉันจักทาความสงเคราะห์ คนเข็นใจคนเข็นใจใจเข็นนะใจมันยากใจมันทุกข์นะเพราะว่ายากจนท่านประสงค์จกากกรุณาคนเหล่านั้นนะไม่ได้กรุณาเทวดานะอันนี้เป็นเป็นความการุณาปกติของพระอาหารหันต์ทั้งหลายต้องสงสารคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่ไม่รู้จักกระทาบุญเนี่ย ให้เขาได้พ้นจากทุกนั้นไปโดยบุญของเขานาะงอับซรจึงกล่าวว่าขอท่านอย่าให้พวกดิฉันได้พินาศคือบุญข อ, ขอให้บุญฉันจะได้เสียไปเลยเจ้าข้าโปรดทำความสงคราพวกดิฉันเถิดพระเทระรู้แล้วจึงห้ามเสียอีกแล้วก็ดีดนิ้วบอกนางอับสรผู้ยังไม่ปรารถนาจะหลีกไปว่า พวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตนจงหลีกไปนางอับศรเหล่านั้นได้ฟังเสียงดิดติ้วมือของพระเถระแล้วไม่อาจจะยืนขัดขืนอยู่ได้จึงหนีกลับไปยังเทวโลกตามเดิมคือก็อนุภาพบุญของพระเถระทำให้ต้องกลัวนะกลัวเสียงดิดนิ้วท้าวสกเทวราชถามว่าพวกเธอไปไหนกันมา นางก็บอกว่ามอมชั้นไปยังโลกมนุษย์หมายจะถวายบินธบาแตแด่พระมากระสปะเถระผู้ออกจากสมาบัติพระเจ้าข่าคือตอนเนี้ได้บุญมากเลยใครถวายใครถวายนิโรธพระที่ออกจากนิโรธเพราะฉะนั้นพระสมัยนี้เลยพยายามจะเข้านิโรธนะพยายามจะเข้านิโรธแล้วก็บอกว่าจะออกวันนั้นนะให้มาเตรียมถวายได้นะอ้าว จริงๆแล้วมันต้องให้ได้ผลภายในภายในเจ็ดวันนะเราไปถวายพระที่ออกจากนิโรธเนี่ยเราไปถวายแล้วเราอธิษฐานเลยว่าอขอให้เราได้เป็นเศรษฐีภายในเจ็ดวันนะถ้าเป็นผู้เข้านิโรธสมบัติได้จริงก็จะสําเร็จแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ก็แสดงว่าคุณนโดนต้มแต่แล้วต้มเปื่อยเลยนะเขาเอาคําเอาคํา เอาคำขอ ง, ของพระอาหารหันต์ไปใช้กันเนี่ยนิโรธสมาบัติ mm hmm. เพราะนั้นท้าวส ก, กัดเทวราชก็บอกว่าพวกหล่อนได้ถวายแล้วหรือยังนางอับศรบอกว่าพระเถเรไม่ปราถนาจะรับพระเถเรพูดว่าอะไรท่านพูดว่าจะทําความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจพระเจ้าค่าคือนางอับศรเนี่ยปัญญาน้อยไปหน่อยนะก็พระเทเรก็บอกแล้วว่าจะสงเคราะห์คนคนยากจนเพราะฉะนั้นท้าวส ก, กัดเนี่ย ก็เลยถามว่าพวกเธอไปกันด้วยอาการอย่างไรนางอัซอบซรนบอกว่าไปกันแบบนี้แหละแบบเป็นเทวดาเนี่ยนะแบบว่าไปแบบผู้มีบุญเนี่ยท้าส ก, ก่าก็บอกว่าหญิงเช่นพวกเธอจกถวายบิณฑบาตแกพระเทระได้อย่างไรต้องเราสิแล้วก็แปลงร่างเป็นคนแก่ด้วยอำนาจความแก่นะมีฟันหักผมหงอกหลังโกงหน้าสงสารน่ะ แล้วก็ไปทอผ้ายัางต้องทอผ้าอีกคือจนจนต้องยังต้องทอผ้าโดยตัวเองแล้วก็ทําให้นางสุชาดาผู้เป็นชายาให้แปลงเป็นหญิงแก่เหมือนกันแล้วก็เนรมิตถนนนะถนนขึ้นมาอีกถนนหนึ่งอีกสายหนึ่งให้ตรงมาที่บ้านของตนเองฝ่ายพระเถระเดินบ่ายหน้าเข้าเมืองด้วยหวังว่าจะทําความสงเคราะห์คนเข็นใจเห็นถนนสายนั้น ก็เดินออกมานะพบคนแก่สองคนอยู่ในขณะนั้นเท้าสักกะปลอมก็ขึงขึงหูกนางสุชดาก็กรอหลอดได้นะพระเถระคิดว่าสองคนนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังต้องทำงานในเมืองนี้ผู้ที่จะเข็นใจกว่าสองคนนี้เห็นจะไม่มีเราจะรับอาหารแม้ซักกระบวยหนึ่ง ที่สองคนนี้ถวายแล้วทำความสงเคราะห์แก่คนสองคนนี้จึงพระเถระบ่ายหน้าเดินตรงมาอย่างบ้านของคนทั้งสองนั่นแหละก็ <c oughs> เขามีอะไรถวายก็ <c oughs> จะรับแล้วก็จะบริภโภคให้เขาได้ปลื้มใจใเขาได้บุญกันเลยน ะ, ะพระสมัยนี้ก็คงจะคิดแบบนี้ยา ก, กนะเดินบินทบาทแล้วต้องไปเลือกคนจนที่สุดเนี่ยนะอาตมาเคยโดนใส่ไหมเงินนะแต่ แต่นค้นสติไม่ค่อยดีก็ไปเอาของในถังขยะมาใส่เรานะของที่เขาทิ้งแล้วแต่ก็ก็ได้บุญนะไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญก็ได้นะก็ไปเลือกๆของมาในถังขยะแล้ว เ, เอามาใส่บาทเรานะเจอตอนอยู่ละยองนะทั้งหญิงทั้งชายเลยทนะ้าวสกกะทอดพระเนธเห็นพระเถระนั่นเดินมาอยู่จึงตัดกํำนางสุชาดาว่า เธอพระผู้เป็นเจ้าของเราเดินมาทางนี้เธอจงนั่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจักลวงท่านสักครู่หนึ่งแล้วจะถวายบิณฑบาตพระเถระมายืนที่ประตูบ้านแล้วสองผัวเมียก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นทำการงานของตนอยู่แล้วเท้าสักกะก็บอกว่าเอ๊ะที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระอยู่รูปหนึ่งไปดูซิเธอไปดูซินางสุชาดาก็บอกว่าเธอไปดูเองเธอนาย เท้าสักกะก็ออกจากบ้านไหว้พระเถระ้วยเบญจางคบอดิษฐ์แล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสองเท้าเอาพระหัตถ์ทั้งสองเท้าพระชานุเท้าเขา่านะเอามือเท้าเข่าแล้วถอนใจแล้วลุกขึ้นย่อตัวลงหน่อยหนึ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอตาของกระผมมองไม่เห็นนะนะแก่มากละมองไม่เห็นหรอกก็ พอดีหมดเวลานะก็คงจะต้องไปคราวต่อไปดูซิว่าเท้าสั ก, กะจะลวงจะลวงพระเถระถวายบิณฑบาตอันมีค่ามากนี้ได้หรือไม่ในวันนี้ก็ขอให้ท่านได้มีปัญญาเห็นอนุภาพของบุญที่พระพุเทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญแล้วว่ามีจริงให้ผลสำเร็จแก่ชีวิตได้ ขอให้ท่านทั้งหลายใช้ชีวิตของท่านเป็นขุมทรัพย์สะสมบุญอันมีค่าประมาณนี้ได้คือทานศีลภาวนาเพื่อเป็นขุมแห่งความสุขและประโยชน์ที่จะติดตามท่านไปใช้ในภพหน้าหน้าสืบไปและขอให้ขุมทรัพย์คือบุญทั้งหมดนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านตั้งความปรารถนาให้ได้ เห็นธรรมสินอาสะวะกิเลสบรรลุพระนิพพานโดยพลันทุกท่านเถอด